อน า, าปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอวบัดคือ964หนึ่งพิกษณีไปกับกองเกวียนสองพิกษณีไปในสถานการณ์ที่ปลอดภัย 3. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษณีวิกลจริตหภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จบ